ะะธรรมนักธรรมชโทวุนที่สองบรรยายโ ด, ดยพระอาจารย์มหาเพราะติตาิโลท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายอธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นโทเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้พูดในหัวข้อว่ากามสอง คือหนึ่งกิเลสกรมกิเลสเป็นเหตุใคร่สองวัตถุกรรมวัสดุอันน่าใคร่อันดับแรกขอให้ท่านมาทำความเข้าใจกับคำว่ากามคำว่ากามนี่แปลว่าความใคร่ยังเป็นคำกลางๆนะยังเป็นคากลางๆยังไม่บอกว่าดีว่าชั่วนะ คือคำว่าการนี้เป็นไปได้ทั้งทางดีและทางชั่วเมื่อจะให้ดีให้ชั่วอย่างไรก็ต้องเติมความหมายเข้าไปอย่างเช่นว่าธรรมกามโมแปลว่าผู้ใคร่ในธรรมนะผู้ใคร่ในธรรมสิกากามโมผู้ใคร่ในการศึกษาในทากิเลสกามก็กิเลสเป็นเหตุใคร่นะแต่ในที่นี้ประสงค์เอาความ อาใครข้างฝ่ายชั่วนะเป็นไปในฝ่ายชั่วฝ่ายไม่ดีนะฉะนั้นก็จำแนกออกเป็นสองก็คือหนึ่งกิเลสกามหมายเอาปริยุท ธ, ธานกิเลสคือกิเลสอันอรบปรุ่มกลุ่มจิตใจนะรบปรุ่มทำให้กลัดกลุ่มจิตใจได้แก่กิเลสที่ทำจิตใจให้เศร้าหมองในที่นี้ท่านหมายเอากิเลสเป็นเหตุใข้ก็ได้แก่ตัวราคะความกาหนัด อาโลภะความโลภอิสาความอิสาความนิษยาอารติอความไม่ยินดีอสันตธธิความไม่สันโดษปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งใจอะไรเหล่านี้ได้ชื่อว่าอได้ชื่อว่ากิเลสเป็นเหตุใคร่คือทํา จิตใจของบุคคล น, นั้นให้ดิ้นรนให้กระวนกระวายให้เศร้าหมองเป็นไปตามอำนาจของกิเลสนั้นแล้วเราก็ลองมานึกดูสิว่าไอราคะพวกราคะโทสะโมหะหรือความโลภเนี่ยนะปกความโลภความอิจฉานิสยัยความไม่พอใจเนี่ยมันทาให้ให้จิตใจของเราร้อนรนกระวนกระวายอย่างไรนะอันนี้เราจะเห็นชัดเลยว่า คนมีราคาความกำหนดกำหนดในอะไรอ่ากำหนดในอะไรก็กำหนดในรูปอ่ากำหนดในเสียงกำหนดในกลิ่นกำหนดในรสกำหนดในการสัมในการสัมผัสถูกต้องเกิดความพอใจพราะเกิดความพอใจก็เกิดการแสวงหาเกิดการแสวงหาแสวงหารูปแสวงหาเสียงแสวงหากลิ่นแสวงหารสการสัมผัส เมื่อแสวงหาไม่ได้โดยทางที่ชอบก็ต้องหาเอาทางใดทางหนึ่งอย่างที่เขาพูดว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถานี่มันเป็นอย่างนั้ น, นแล้วเราก็สังเกตดูสังคมเราที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะในตัวราคะคือความกำหนัดนี่เองทาให้พวกเราต้องดิ้นรนกังวลกะวาย ก็พราะอ้ตัวกวายตัวโลภะคือความโลภทําให้เราต้องแย่งกันกินนะแย่งกันกินมีการชิงดีชิงเด่นกันอิจฉาเสยาียกันปัดแข่งปัดขากันมีการหวงหึงกันมีการฆ่ากันเอารัดเอาเปรียบกันนี่แหละเพราะพวกราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงอะไรเหล่านี้แหละนะนี่ทําให้เราต้องเดือดร้อนนะเดือดร้อนมากนะเมื่อคนเรามีราคะ ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักห ah ักห้ามจิตใจแน่น in อนท <animal bites S 1> ี่สุดผู้นั้นก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนมากนะมีความทุกข์ความเดือดร้อนมากแต่ถ้าผู้ใดรู้จักหักห้ามจิตใจผู้นั้นก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนน้อยนะความเดือดร้อนน้อยเราจะสังเกตดูบางคนอยากมีวิทยุนะอยากมีวิทยุสักเครื่องหนึ่งเอาไว้ฟังว่าถ้าได้ฟังเพลง หรือว่าฟังนิยายแล้วก็พอแล้วสบายใจแล้วแต่พอฟังบ่อยๆเข้าบอกว่าได้ยินแต่เสียงนะได้ยินแต่เสียงรู้สึกว่ามันไม่ดีฟังแล้วไม่มันมันต้องต้องเห็นภาพด้วยฉะนั้นจะต้องดูทีวีนะต้องซื้อทีวีอ้าวเราก็ต้องแสวงหาอีกแล้วจากอเงินวิทยุซื้อมาไม่กี่ร้อยบาททีนี้พอซื้อทีวีก็ต้องเป็นพันเป็นหมื่นอ่านะ พอซื้อทีวีมาแล้วก็แม่รู้สึกว่าดีใจนะได้เห็นเสียงได้ยินเสียงด้วยได้เห็นรูปด้วยแต่ทีวีขาวดํานี่มันไม่ดีอ่มันต้องสีว่าังนะ น, นะมันต้องสีเอ่มันจึงจะเห็นชัดเป็นธรรมชาติเอ่เห็นเนื้อหนังบางสาเสื้อผ้าอาพรเป็นธรรมชาติมันจึงจะสวยงามเอาละพอได้สีแล้วพอแล้วก็ปรากฏว่าไปซื้อสีมาอ่ ไอการที่จะได้อแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นมันก็ไม่ได้ได้โดยง่ายบางครั้งต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามานี่ต้องไปผ่อนเขามาเอ่อต้องเสียดอกเบีย้ยต้องเสียหรือบางทีต้องเอาของไปให้เขายึดอย่างนี้ก็มีเนี่ยมันเดือดร้อนเอ่อเดือดร้อนไอตัวไอตัวโลกนี่ไอตัวราคะตัวนี้เนี่ยมันเดือดร้อนมากนี่เรียกว่าไม่รู้จักประมาณอา้าวพอดูสีแล้วก็ฟังบ่อยๆเข้านะเข้าอยากเห็นตัวจริง เห็นนี่มันเห็นแต่เป็นภาพอยากเห็นตัวจริงนะเข้าไม่ไม่สนใจทีวีเสียแล้วขาวดำก็ไม่สนใจวิทยุก็ไม่สนใจทีวีสีก็ไม่สนใจอยากจะไปดูตัวจริงนี่ตัวจริงอยู่ที่ไหนก็อาจจะไปอยู่ตาบาตำขับอบอาบนวดบางทีก็ไปอยู่โน่นต่างจังหวัดบางทีก็ไปขึ้นอยู่ทางเหนืองทีก็ลงไปทางใต้บางทีก็ตะวันออก อ้าวเราก็ต้องไปนะไปสแสวงหาไอ้รูปเสียงกลิ่นรสเนื้อหนังมังสานี่ไปสแสวงหาอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ปรากฏว่าทำให้เราเดือดร้อนทาให้เรากระวนกระวายนะทำให้ครอบครัวเกิดความระสรํสาราสยนะไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหายนะอ่านะนะก็เพราะกิเลสกามนี่แหละมันเป็นเหตุให้ใคร่มันเผาลนจิตใจของเรา หรืออารติความไม่ยินดีนะไม่ยินดีอาสันตุทิคือความไม่สันโดษคือไม่สันโดษก็คือว่าไม่ยินดีในสิ่งที่ตนมีตนได้นะไม่ยินดีในสิ่งที่ตนมีตนได้ไม่รู้จักประมาณก็เที่ยวกระเสือกกระสนไปนะไม่ไม่รู้จักฐานะของตัวเองนะว่าตัวเองมีฐานะเป็นอะไรอยู่อย่างไรอ่านะก็ควรจะ กินดีตามมีตา ม, ม, ตามได้คนโบราณเราบอกว่านกน้อยทํารังแต่พอตัวนะนกน้อยทํารังแต่พอตัวไอ้คนโลภมากนั้น ล, ลาบมักจะหายนะแต่คนที่อพอเหมาะพอควรนั่นแหละคือคนดีนะคือคนดีแต่ถ้าไม่รู้จักพอดีไม่รู้จักพอเหมาะพอควรแล้วก็มักจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนนักปราชญ์โบราณท่านจึงได้ผูกเป็นคากลอนไว้ว่า มีสลึงพึงบรนจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์เมื่อมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะ ย, ยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมือ้อเป็นคราวทั้งขาวหวานนี่ฉะนั้นอันนี้แหละเราจะต้องรู้จักสันโดษรู้จักจับใจใช้สอยสิ่งของต่างๆตามฐานนะถ้าเราปฏิบัติได้แน่นอนเราก็จะมีความสุข แต่ที่เรามีความทุกข์เพราะเราไม่สันโดษนั่นเองและอีกข้อหนึ่งก็คือที่ทำให้เป็นทุกข์มากก็คือตัวอิ ส, สาอิ ส, สาคือความริษยานะอิ ส, สาคือความริษยาแต่เรามักจะพูดกันว่าอิฉานะเรามักจะใช้คำว่าอิฉาอิฉาตัวนี้แปลว่าความต้องการอนะหรือจะแปลให้มันไปในทางเสียหน่อยก็กลายเป็นว่าความอยากได้นะก็เข้าไอ้ตัวโลกนั่นเองนะไอ้ตัวโลกนะอิฉาตัวนี้นะ ทีนี้มันทีนี้อิสสาถ้าตามภาษาอังกฤษเขาว่าความนิษยาคือคนเราเนี่ยมีปกติอยู่อย่างว่าไม่อยากให้ใครได้ดีไปกว่าตัวเองนะทั้งๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองก็ไม่อยากให้ใครได้ดีพอเห็นใครได้ดีอดเดือดร้อนไม่ได้นะอดเดือดร้อนไม่ได้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องหน้าประหลาดเหลือเกินขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาวตุชนทั้งหลายที่ฟังลองลอ ง, ลองค่อยๆ ค, ค, คิดดูว่า ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาได้ดีแทนที่เราจะยินดีกับเขาแต่ทำไมเราจะต้องมาเดือดร้อนด้วยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอจริ ง, รงๆล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะความดีนั้นมันเกิดจากการกระทําดีของเขานะเราควรจะยินดีกับเขาอนุโมทนากับเขาอแต่เราเรากลับไปเดือดร้อนกับเขาบางทีกลับไปใส่ร้ายป้ายสีเขาไปว่าเขาหรือบางครั้งก็มีการ ดูหมิ่นดูแคลนกันมีการประหัดประหารกันก็มีนี่เนี่ยเพราะไอ้เรื่องความริษยากันอย่างนี้เองไอ้ตัวความหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนมันเหมือนกับว่าเป็นไฟสงข์มันไม่กลุ่นอยู่ตลอดเวลานะไม่กลุ่นอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้แหละถือว่ามันเป็นสนิมในใจนะเป็นสนิมในใจ ขอให้ท่านลองนึกดูสีว่าไอ้สนิม น, นั่นมันเกิดจากเหล็กนะเกิดจากเหล็กแล้วมันก็กัดเหล็กนั้นให้ผุกร่อนไปนะให้ย่อยยับไปให้หมดไปข้อนี้ฉันใดพวกราคะโลภอริษยาอารติอ้นะวกราคะความกำหนัดโลภความโลภความอยากได้อาอารติความไม่ยินดีอิสาความริสยาอสันตุิความไม่สันโดษ สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสนิมอยู่ในใจถ้ามันเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วมันก็จะเผาลนจิตใจของผู้นั้นให้ย่อยให้ยับไปให้ถึงความหายันตไปให้เดือดร้อนไปเอผลที่สุดก็ตายทั้งเป็นนตายทั้งเป็นนี่แหละจึงบอกว่าอกิเลสกามนี้กิเลสเป็นเหตุใขร่ก็คือว่าทําให้เรานั้นจะต้องอพวักพวงแล้วก็เกิดความลุ่มหลง เกิดความมัวเมาหน้ามืดตาลายอาจจะตัดสินใจทำความชั่วโดยไม่รู้สึกตัวหรือชั่วอารมณ์วุ่นเดี๋ยวเราอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปก็ได้ะฉะนั้นก็กิเลสกรรมนี้เขาจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นมารเรียกว่าเป็นมารได้ชื่อว่าเป็นมารไอ้ที่ชื่อว่าเป็นมารก็เพราะว่าเป็นโทษล้างผลาญคุณงามความดีของเรา เป็นโทษล้างฐานคุณงามความดีของเราไอ้คาว่าเป็นมารไอ้มาระตัวนี้แปลว่าตัวฆ่าตัวทําลายถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดก็มันฆ่ามันทําลายผู้นั้นให้ย่อยยับไปให้ตายจากคุณงามความดีไปนะจึงได้จัดว่าเป็นมาร น, นะนี่ว่าถึงเรื่องกิเลสกามมาในข้อที่สองเรียกว่าวัตถุกรรมแปลว่าพัสดุอันหน่าใกล้อันนี้หมายถึงกิเลสภายนอก เมื่อกี้กิเลสกรรมนะั้นหมายถึงกิเลสภายในอทีนี้วัตถุกรรมนี้หมายถึงว่าพัสดุอันหน้าใคร่หมายถึงกิเลสภายนอกอันเป็นเครื่องยั่วยวนจิตใจได้แก่กรรมมาคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผดถัพพะอันเป็นส่วนอิทธารมณที่สัตว์พอใจรักใคร่ปรารถนาตัวอย่างเช่นตาเห็นรูปเป็นต้นเมื่อความพอใจเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมปรารถนาลิ้นรนอยากได้ เมื่อได้สมประสงค์แล้วก็เคลิ้มเคลิ่อนอยู่ในอารมณ์นั้นๆลุ่มหลงในอารมณ์นั้นๆเมื่อไม่ได้ก็ให้เกิดความทะเยอทะยานดิ้นรนมุ่งแต่คิดแต่จะหาให้ได้อไม่ได้โดยสุจริตก็เอาทุจริตหรือบางครั้งถึงกับการตีชกต่อยชกเคียงวิ่งราวการประหารประหารกันก็มีนี่แหละอจึงจึงจัดว่าเป็นกามอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนเป็นกามอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้ ในในข้อสองที่ว่าวัตถุ ก, กรรมนี้มันทำให้เราเดือดร้อนอย่างไรก็ยังที่พูดมาเมื่อกี้แล้วมันต่อเนื่องกันเมื่อกี้นั้นเป็นกิเลสภายในในจิตใจนะที่ว่ากิเลสกรรมก็ในแก่ตัวราคะโทสะโมหะโลภะอิสาอราตินี่มันเกิดภายในแต่อันนี้เกิดจากเหตุภายนอกนะเกิดจากเหตภายนอกเกิดจากอะไรเกิดจาก ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆนี่อย่างนี้แหละโดยเฉพาะในทีนี้ท่านว่ากายถูกต้องนะอกายถูกต้องสัมผัสเนี่ยทำให้เราเกิดความรุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นนะเกิดความอยากได้ขึ้นมานะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าให้เราต้องสำรวมตานะต้องสารวมตาต้องรู้จักระวัง ถ้าหากว่าเราไม่สำรวมไม่รู้จักระวังแน่นอนที่สุดให้รูปเสียงกลิ่นรสอ่ะโพธพภะนี่แหละมันจะเป็นเครื่องผูกจิตผูกใจเราอรังจิตใจของเราให้ตกต่ํานะให้ถึงความหายณะได้ฉะนั้นเขาจึงเปรียบว่าไอ้ตาของคนเราเนี่เปรียบเหมือนกับงูนะเหมือนกับงูมันชอบดูนะอ่าชอบดูชอบดูรูปนะชอบดูรูปอ่า นะไอ้งูนี่เหมือนกันไอ้งูเนี่ยมันชอบลงรูนะชอบลงรูชอบเข้าจอมปลวกชอบเข้าโพรงไม้ไอ้ตาของเราเหมือนกันชอบดูในสิ่งที่มันเป็นโพรงนะที่มันลึกๆนะไอ้ี่มันมืดๆเนี่ยตาเราชอบดูนะไอ้ที่ล่องๆเราไม่ชอบก็ให้สังเกตดูสิถ้ามีหนังกลางแปลงในคนไม่ค่อยดูกันนะแต่ว่าท่านมีในโรงแล้วก็ คนชอบไปดูแย่งกันเข้าไปดูต้องตีตัวกันเข้าไปอหรือว่าอบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปเราต้องเสียเงินแล้วเข้าไปดูแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟดูเขาต้องปิดไฟนะเขาต้องปิดไฟนี่แหละถึงว่าไอ้ตาของเราเนี่ยมันชอบดูไอ้ที่มืดมืดดูแล้วต้องเสียเงินด้วยแล้วบางครั้งดูแล้วก็เอามาคิดเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความกังวลกังวายไปต่างๆนานานะไปต่างๆนานานี่เกี่ยวกับเรื่องตา ปรการที่สองหูเขาจึงเปรียบเหมือนกับจระเข้ธรรมดาจระเข้เนี่ยชอบอยู่ในน้ำใสๆน้ำนิ่งๆนะถ้าน้าใสน้านิ่งแล้วก็จระเข้ชอบอยู่แต่ถ้าน้ำขุ่นหรือมีเสียงเอ็ดอื้อองจระเข้ไม่ชอบเว้นอยู่ว่าเป็นทางผ่านที่มันจะย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็อาจจะแวกว่ายไปต้มสายทานต่างๆหรือไปตามห้วยน้องคลองทาน จริงๆแล้วจระเจียชอบอยู่น้ำใสๆน้ำเย็นๆไอ ห, หูคนเราเหมือนกันนะชอบฟังเสียงใสๆชอบฟังเสียงเพราะชอบฟังเสียงเย็นๆแมมฟังแล้วมันจับจิตจับใจแมมพี่ขาพี่ขาน้องอย่างนั้นน้องอย่างนี้ฟังแล้วมันจับจิตจับใจไม่มีหรอกคนจะรักกันจะมาพูดไออีนะใช้ระบบอีทีเนี่ยเห็นท่าจะไม่มีนะเห็นท่าจะไม่มีว่า อีนั่นไอ้นี่กูรักมึงอย่างนั้นอย่างนี้นะ่ะขอประธานโทษใช้คํอาอไม่สุภาพอย่างนี้เห็นท่าจะไม่มีใครรักกันแน่นะดังนั้นคนจะรักกันนี่จะต้องพูดเพราะนะแล้วเราก็หลงในคํานั้นดังนั้นคนโบราณจึงเตือนเราไว้ว่าน้ําร้อนปราเป็นน้ําเย็นปลาตายนะน้ําเย็นปลาตายดังนั้นในคําเย็นเย็นเนี่ยคําอ่อนหวานคําไพเราะเนี่ยเรามักจะหลงกันง่ายนะหลงง่ายเชื่องง่ายติดง่ายนะี่ แต่คําที่พูดตรงไปตรงมาเนะ่ะอย่างนี้เราไม่ค่อยตายหรอกนะเขาเรียกน้ําร้อนหรือพูดแล้วทําให้เราฟังรู้สึกมันขัดคัดทูนะไม่สบายตาไม่สบายใจไม่สบายหูแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่เรานะอย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าทําความให้รู้สึกว่าเออมันไม่เพาะแค่นั้นเองนะฉะนั้นเขาจึงเปรียบหูของเราว่าเหมือนกับจระเข้นะชอบเสียงเย็นเย็นเสียงใสใส จมูกเขาเปรียบเหมือนกับนกนะธรรมดานกนี่ชอบอยู่ในที่อากาศที่ดีนะอากาศที่บริสุทธิ์นะฉะนั้นนกจึงอยู่ตามส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ตามตามต้นไม้นะตามต้นไม้ถึงจะอยู่ในห้วยหน้องคลองฐานอากาศก็ดีอากาศก็บริสุทธิ์นะอากาศก็บริสุทธินะ์เอฉะนั้นจมูกคนเราเหมือนกัน ชอบอากาศดีนะอากาศดีๆแล้วรู้สึกว่าสูตรเข้ามันเต็มปอดนะมันสบายใจการที่ได้อยู่อากาศดีๆถ่ายเทได้ดีอากาศบริสุทธิ์ไม่มีมลพิษหรืออ่าพวกมลภาวะต่างๆที่จะทําให้การระบบหายใจของเราไม่สะดวกไม่คล่องตัวถ้าอันนั้นแหละเป็นเหตุที่ทําให้ให้เรานั้นมีอายุสั้นแต่ถ้าใครอยู่ในที่อากาศดีบริสุทธิ์แล้วก็จะทําให้อายุยืน นะจะทําให้อายุยืนฉะนั้นบางครั้งจมูกของเราก็ไปติดในสิ่งที่ที่เราสําคัญไอในสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์แต่เราว่ามันเป็นบริสุทธิ์นะอย่างเช่นว่าบางครั้งเราไปติดไอเครื่องหอมหอมอะไรอย่างเงี้ยนะเครื่องหอมหอมอะไรเงี้ยติดน้ำหอมติดโน่นติด น, น, ดนี่อันนี้แหละมันก็เลยทําให้เราต้องเสียหายมากเสียอะไรเสียซับนะเสียรัพย์ต้องไปแสวงหาต้องไปซื้อมา เนี่ยแพงๆนะเซบูน้ำหอมเรื่องแป้งเรื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆในรู้สึกว่าบรรดาพวกในทุนต่างๆก็ฉลาดนะดักใจดักใจคนได้ถูกบางครั้งไอ้สิ่งนั้นก็ไม่มีคุณค่ามากหรอกเพียงแต่ว่าเขาใส่ไอ้พวกวัตถุเคมีอะไรต่างๆไปให้หอมๆหน่อยแค่นั้นเราก็หลงแล้วนะเราก็หลงแล้วและไอ้สิ่งนั้นก็ เอามาแตะนิดๆหน่อยๆก็ไม่นานกลิ่นก็หายแต่รู้สึกว่ามันแพงเหลือเกินนะไอ้ของบางอย่างนะมันไม่หอมแต่ว่ามีคุณค่ามากมีประโยชน์มากอย่างนี้เราก็กลับไม่สนใจกันนะกลับไม่สนใจกันฉะนั้นสิ่งนี้เลยขอให้ท่านทั้งหลายจงจงพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วก็จะทำให้เรานั้นรู้จักยับยั้งชั่งใจว่าเราใช้ของสิ่งนี้เพื่ออะไรใช้สบู่เพื่ออะไร ใช้น้ำหอมเพื่ออะไระกับการที่เราจะมาะสร้างคุณงามความดี อ, อันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่หอมหอมดีกว่าแล้วก็ติดทนนานดีกว่านะติดคนนานดีกว่าและคนทุกคนก็นิยมชมชอบอีกด้วยแต่เครื่องหอมอย่างนั้นบางคนอาจจะชอบก็ได้บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ไม่กีรังย่างเย็นด้วยนะมาในข้อที่ ที่สี่ก็คือเลิ้นลินนี่เขาเปรียบเหมือนกับสุนัขบ้านธรรมดาสุนัขบ้านทั่วๆไปสุนัขไทยไทยนี้ไม่ค่อยได้มีเกียรติเหมือนกับสุนัขฝรั่งนะไอสุนัขฝรั่งนี่รู้สึกว่าเรานิยมยกย่องให้เกียรติกันมากถือว่ามีไอคิสูงว่าไ ง, งเถอะนะมีไอคิวสูงฉลาดไอสุนัขไทยนี่มันโง่ว่าไ ง, งมันโง่มันจะไม่โง่อย่างไงก็เราให้กินได้ ก้างกินแต่พวกเศษอาหารไม่ดีกินไม่อิ่มนอนไม่หลับมันอย่างนี้มันจะสมองดีไม่ได้และสุนัขกลังนี่แม้เราต้องกินกาแฟต้องกินเนื้อต้องโอ้โหข น, นมปังมีพัดลมให้มีอวิทยุสเตอริโอฟังแม้อย่างนี้สมองมันก็ดีอย่างนี้ถ้าเอามาให้กับสุนัขไทยมันมันก็ดีนะรับรองว่าดีแนะ่ยนะแต่ไม่มีคนคิดกันนะไม่มีคนคิดกันก็ลองเอาสุนัขไทยมา อันนี้ตัวตะมาได้เคยเห็นนะตุนักไทยเนี่ยเขาเคยฝึกนะฝึกให้คาบวัตถุเนี่ยคาบไอ้พวกภาชนะเนี่ยเอาไปขอทานเขาได้คนขอทานก็จะให้สิ่งของต่างๆใส่ไปในวัตถุนั้นพอเต็มแล้วแกก็วางแล้วก็เอามากินสักครั้งหนึ่งนะแล้วบางครั้งแกก็ค่อยเอาไอ้เท้าหน้าเนี่ยไปสักิจกิจคนอพวกต่างๆเนี่ยคล้ายๆว่า ให้ช่วยให้ฐานน้อยว่า ง, งั้นเถอะแล้วบางครั้งสามารถที่จะไปจ่ายตลาดได้โดยที่ว่าคาบตะกร้าคาบกระเช้าแล้วก็มีในกระเช้าตะกร้านั้นจะมีเป็นจดหมายไปบอกแม่ค้าว่าอซื้ออย่างนั้นอย่างนี้เมื่อแม่ค้าหยิบให้แล้วมันก็จะคาบออกมาอันนี้ก็เคยเคยพบเคยเห็นกับตัวเองมานี่เป็นสุนัขไทยนะเป็นสุนัขไทยฉะนั้นแต่โดยทั่วไปแล้วก็สุนัขไทยไทยนี้ก็กินพวกก้างพวกกระโดด นะไม่่อยมีวิตามินไม่่อยมีคุณค่านึกดูแล้วก็เกิดเป็นสุนัขไทยแล้วก็หน่าสงสารนะจะ ก, กินอยู่จะนอนก็ไม่ได้นอนที่ดีนะแต่ของสุนัขวารังนี่ไม่ใช่ของเราี่แม่เราเอามาเทอาทูนกันมากนะอยู่ในที่ดีเนะี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราควรคิดกันไว้เหมือนกันดังนั้นลินนี้เขาเปรียบเหมือนกับสุนัขบ้านนะก็คือกินไม่ดีกินน้ำลายตัวเองบางครั้งก็กินกระดูก ไนะอ้กินกระดูกเนี่ยมันไม่ไหนมีประโยชน์นะกระดูกนี่กัดไปเถอะที่ออกมาก็คือน้ําลายตัวเองดังนั้นคนเราเหมือนกันที่เรารับประทานอาหารไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยน้ําลายตัวเองเสียมากเราลองสังเกตดูเราเคี้ยวคําข้าวเข้าไปแล้วก็เราคลายออกมาจะเห็นว่าน้ําลายเนี่ยเป็นเมือกเลยยืดเป็นเมือกแล้วเราจะเอาเข้าไปอีกเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้แต่ตอนอยู่ในปากนี่เรากลืนได้สบายนะแต่พอเราคลายไปแล้วจะกลืองเข้าไปอีกทั้งทั้งที่ของเราเนี่ย เราจะเกิน่อไม่ได้เนี่ยฉะนั้นไอ้เรากินอาหารนี่ก็คือกินน้ำลายตัวเองฉะนั้นเราควรจะมีสติควรกำหนดควรนึกว่าเรากินเพื่ออะไรก็จะทำให้เรานี้รู้จักยับยั้งชั่งใจว่ามันควรจะกินให้รู้จักประมาณกินเพื่อความพอดีกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะกินเพื่ออยู่ยังชีวิตให้ทำประโยชน์คุณงามความดีต่อไป มาประการที่สี่นะประการที่สี่ตาหูจมกูกลิ้นที่ห้าก็คือกายนะที่ห้าก็คือกายกายนี่ก็ท่านเปรียบเหมือนกับสุนัขป่านะเปรียบเหมือนกับสุนัขป่าไอเจ้าสุนัขป่านี่มันมีสัญชาตญาณอยู่อย่างสุนัขป่านี่ชอบนอนตามหลุมป่าช้าผีเด็ดว่ามันมีไออุ่น สุนัขป่าเนี่เรียกอย่างหนึ่งว่าสุนัขจิ้งจอกนะสุนัขจิ้งจอกมันชอบนอนตามหลมหลมผีเด็กนะที่เขาฝังอพวกซากศพต่างๆเพราะมันมีไออุ่นอยู่ก็เปรียบเหมือนคนเร า, เอาชอบนอนเบียดกันกอดกันรัดกันเนะี่ยว่ามันมีไออุ่นอย่างนั้นอจริงๆแล้วเราก็นอนกับซากศพนั่นเองเราก็นอนกับผีด็บนั่นเองเอแต่เป็นผีด็บที่เดินได้ยิ้มได้พูดได้นะ เ, เราหลงกันนะ เ, เราหลงกันถ้าเราไปดู เขาชำระซากศพตำรงวิบาลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นแล้วน่าขยะขยงมากอเขาให้เราไปกอดซากศพที่เขาชำระนะั้นรู้ยเราร้องตายเลยไม่เอาไม่อยากเข้าใกล้ไปดูมือก็ต้องเอาอุดจมูกไว้ด้วยอแต่ตอนนั้นเราไม่ได้อุดเลยลืมนะลืมตัวเลผลอไผลก็เพราะวัตถุ ก, กรรมนี่ยมันครอบงาําจิตใจของเราไว้นะครอบงำจิตใจของเราไว้ฉะนั้นท่านลองคิดดูสิว่าเอ ว่ามันเป็นจริงอย่างที่อได้พูดได้บรรยายไปไหมนะมันเป็นอย่างนั้นอคนเราฉะนั้นจะบอกว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนกับสุนัขป่าหรือสุนัขจิ้งจอกใจเขาเปรียบเหมือนกับลิงธรรมดาลิงเนี่ยมันอยู่ไม่ค่อยสุกนะอยู่ไม่ค่อยสุกใจมันวอกแวกอยู่เลยบางคนพูดว่าแม้คนนี้พูดลิงหลับนะเกง่งคนไหนพูดลิงหลับได้นี่เก่งบ้างนะฉะนั้นให้คนโดยมากนะใจมันวอกแวกเหมือนกับลิงไม่อยู่นิ่ง พระพุทธองค์ดึนได้จัดไว้ว่าพันธนังจเจริญจิตตังธุรักขังทุนิวารยังเป็นต้นว่าจิตนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากนะดิ้นรนอยู่ตลอดเวลากวัดแกงอยู่ตลอดเวลาเราว่าจะไม่อย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเราจะให้หมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยบางคนเข้าไปนั่งสมาธิแล้วไม่มีสงบเลยบางคนกลับเป็นโรคประสาทบางคนกลับเป็นโรคจิตเนี่ย นี่เราจะบอกว่าใจเนี่ยมันดิ้นรนกวัดแก่งเลอเกินนะคิดไปได้ร้อยแปดพันประการอยู่ในห้องแอร์ก็คิดออกนอกห้องแอร์อยู่ในบ้านก็คิดออกนอกบ้านอยู่ในอำเภอคิดออกนอกอำเภออยู่ในประเทศไทยบางทีคิดออกนอกประเทศไทยไปเมืองนอกก็มีเนี่ยใจมันคิดมากคิดไม้คิดไกลเลอเกินนะคิดไกลมากออืบางทีโนอนคิดไปนอกโลกยังมีนะคิดไปนอกโลกยังยังก็เพลงเขาแต่งกันนวล จะหยุดโลกนอนไปรักกันบนดวงดาวดวงจันทร์นั่นโอ้โหมันไกลไปนะไกลกันนี่แหละจึงบอกว่าใจคนเรานี่มันสารพัดนะสารพัดฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังลองนึกเปรียบเทียบดูว่าถ้าเราเอาสัตว์ทั้งหกตัวนั้น่นะมาผูกรวมกันอนะตาเปรียบเหมือนงูหูเปรียบเหมือนจอระเข้จมูกเปรียบเหมือนนอกลิ้นเปรียบเหมือนสุ น, นัขป่านกายเปรียบเหมือนสุ น, นัขป่าใจเปรียบเหมือนลิงอนะเอามาผูกรวมกัน นะเอาเชือกหกเส้นเอาปลายแต่ละเส้นผูกสัตว์นั้นไว้อีกปลายข้างหนึ่งมาผูกไว้กับอขอนไม้แล้วก็ปล่อยสัตว์นั้นพร้อมๆกันอะไรมันจะเกิดขึ้นท่านลองนึกดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดในขณะนั้นความสับสนโอรมานความยุ่งเหยิงจะเกิดขึ้นอนะไอ้งูก็จะพาขอนไม้นั้นเอเข้ารูนะไอจระเข้ก็จะพาคอนไม้ลงน้ํานกก็จะพาคอนไม้ขึ้นไปบนต้นไม้ สุนักบ้านก็จะพาคอนไม้เข้าบ้านสุนักป่าก็จะพาคอนไม้เข้าป่าลิงก็จะพาคอนไม้ขึ้นต้นไม้รึงกันไปรึงกันมาดึงกันไปดึงกันมาอรูมตรงนางไปหมดเลยฉะนั้นคนเราเหมือนกันอารมณ์มันเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทําให้เรานี่มีจิตใจสับสนโอมานวุ่นวายเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติอาจารย์ท่านจึงสอนว่า ปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายนี่ต้องรู้จักปิดนะหรือคนโบราณเขาจะสอนคนคู่บ่าวสาวเวลาจะแต่งงานก็บอกว่าเวลาแต่งงานแล้วต้องรู้จักทาเป็นคนใบ้นะทำตาบอดทำหูนววนี่เดียวกว่าต้องปิดปากปิดตาปิดหูเสียบ้างถ้าไม่ฉะนั้นก็เดือดร้อนเดี๋ยวไอ้คนโน้นเอาเรื่องนี้มาพูดไอ้คนนี้มายุแยงตะแคงแย่ยางงั้นอย่างนี้น นี่แหละมันก็ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดความลังเลเกิดความสงสัยสารพัดเลยวุ่นไปตลอดเวลานี่แหละเกิดความเดือดร้อนมากฉะนั้นทั้งหัดนี้จึงจัดเป็นวัตถุกกรมคือพัสดุอันหน่าใคร่ซึ่งเป็นกิเลสภายนอกที่มาย่อยวนจิตใจของเราทําให้ใจของเราเกิดความกระวนกระวายเกิดความไม่สงบเกิดความปั่นป่วนเกิดความทุกข์ทรมานเขาจึงเรียกอันนี้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น บ่วงแห่งมานหรือเรียกว่าได้ชื่อว่าเป็นบ่วงแห่งมานก็คือเป็นบ่วงที่เป็นกิเลสหรือว่าเป็นโทษที่จะร้อยเริงจิตใจสัตว์ผูกมัดจิตใจสัตว์ให้อยู่มัดอยู่มือเรียกว่าดิ้นไปไม่ได้อีกแล้วคนลองถ้าถูกลูกเสียงกลิ่นรดเหล่านี้มันผูกมัดไว้แล้วก็อยู่หมัดนะหลงงมงายนะหลงงม ง, งาย ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วก็มีแต่ทุกมีแต่โทษเอาละเมื่อพูดถึงเรื่องอกามสองคือกิเลสกามกิเลสเป็นเหตุใครวัตถุกรมวัดสดุอนันนาใครมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้จะได้พูดในหัวข้อว่า ทิฏฐิสองคือหนึ่งสัตสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงสองอุเฉทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ประการแรกขอให้ท่านทาความเข้าใจคําว่าทิฏฐิเสียก่อนคําว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นตามธรรมชาติของสัตว์เป็นคํากลางๆไม่ดีไม่ชั่วที่จะรู้ว่าเป็นทิฏฐิ ฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วนั้นต้องเติมความหมายเข้ามาจึงจะรู้ได้ว่าเป็นฝ่ายไหนเช่นเติมคําว่าสัมมาเข้ากับทิฏฐิก็เป็นสัมมาทิฏฐิแปล ว, ว่าความเห็นชอบเติมคําว่ามิจฉาเข้ากับทิฏฐิก็ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแปล ว, ว่าความเห็นผิดเมื่อพูดตามคําที่นิยมกันโดยมากอใน ในที่ที่มาเฉพาะทิฏฐิศัพเดียวหรือแม้มาคู่กับศัพท์อื่นซึ่งไม่ใช่เป็นคํามุ่งหมายท่านมักจะหมายเอาข้างฝ่ายชั่วเช่นทิฏฐิโกอผู้มีทิฏฐิอพระหุทิฏฐิโกพระผู้มีทิฏฐิมากแต่คําว่าทิฏฐิในที่นี้อหมายเอาความเห็นข้างผิดนะหมายความเห็นข้างผิดเรียกว่า สัจจะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงก็ดีอุเชตทิฏฐิก็ดีความเห็นว่ากาดศูนย์ทั้งสองอย่างนี้หมายถึงเอาในทางที่เห็นผิดนะเห็นผิดนี่เห็นผิดยังไงยังสัจจะทิฏฐิอความเห็นว่าเที่ยงไอ้ที่เห็นว่าอาเที่ยงก็คือเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรศูนย์นะถึงแม้คนและสัตว์ตายไปแล้วร่างร่างกายเท่านั้นที่แตกสลายไป ส่วนมนัสหรือมโนหรือในภาษาสันนิษฐ์เรียกว่าอัตมันอัตมันในภาษาบาลีเรียกว่าอัตตาได้แก่ตัวตนหรือรวมทั้งจิตก็มีอินทร์หมายเอาสิ่งที่รักษาความเป็นอยู่แห่งรูป ก, ก็มีในภาษาไทยเรียกว่าเจตพูดเจตพูดย่อมถือปฏิสนธิในโลกอื่นสืบต่อไปความเห็นชนิดนี้เรียกว่าสัสทิฏิคือความเห็นว่าเที่ยง คือเห็นว e. ่าถ้าจะพูดให้ชัดก็คือเห็นว่าคนเราเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นคนนะตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นคนนะเกิดมาเป็นวัวเป็นควายตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นควายนะไปเกิดเป็นควายอันนี้เรามาดูแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้นนะไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นก็แยกคนเกิดเป็นหนูเป็นนกตายไปแล้วก็เกิดเป็นหนูเป็นนกคนเป็นโจรก็ตายไปแล้วก็เกิดเป็นโจรไม่รู้จักกี่ร้อยกี่ชาติไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะจะเกิดเป็นสุนัขก็เเป็นสุนัขตลอดเกิดเป็นหนูก็เกิดเป็นหนูเกิดเป็นนกก็เกิดเป็นนกเกิดเป็นแมวก็เกิดเป็นแมวแม้อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะอันนี้ผิดหลักในทางพระพุทธศาสนาหลักในทางพระพุทธศาสนานั้น คนเราเกิดเป็นคนแล้วตายไปแล้วจะเกิดเป็นคนก็มีไม่เกิดเป็นคนก็เกิดเป็นเทวดาก็มีเกิดเป็นพระพรหมก็มีเกิดเป็นพระอรหันตก็มีเกิดเป็นเปรตอสูรกายก็มีเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีนี่ในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่เห็นดิ่งเห็นเที่ยงเหมือนกับสัตตสตทิฏฐินะไม่เห็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่า เกิดเป็นเทวดาก็ต่องเทวดาอยู่ตลอดไปเทวดาก็กลับกลายมาเป็นคนได้นะเป็นคนได้นี่แล้วเทวดาก็ยังมีโอกาสที่จะตกนรกไป ก, ก็ได้จับนรกก็อยากเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วก็จะเป็นมนุษย์แล้วก็จะขึ้นบนเป็นเทวดาอีกก็ได้นี่มันไม่แน่นะมันไม่แน่มันอยู่ที่การกระทำของคนเราเนาฉะนั้นมนุษย์นี่แหละถือว่าเป็นเป็นเครึ่องทางร ะ, ระหว่าง สวรรค์กับนรกพูดง่ายๆนะระหว่างสวรรค์กับนรกออยู่ระหว่างกึงกลางดังนั้นคนจะไปสวรรค์หรือไปพรมไปพระอรหันต์นั to to wordt, ้นจะต้องมาตั้งต้นที่ความเป็นมนุษย์นะแล้วคนที่จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมาตั้งต้นที่เป็นมนุษย์นี่ดังนั้นมนุษย์นี่แหละเป็นทางสายกลางที่ติดต่อระหว่างสวรรค์กับมนุษย์อสวรรค์กับนรก หรือถ้าเราจะให้เข้าใจก็คือเรื่องทางเจ็ดสายนะเรื่องทางเจ็ดสายเช่นว่าคนจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็นั่นแสดงว่ามีความโลภนะมีความโลภมากคนจะไปเกิดเป็นพวกสัตว์นรกก็ถือว่ามีโ ท, โทสะนะความเลวร้อนอความกระววนกระวายความคิดประทุษร้ายคนจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่ามีโมหะ หรือว่าคนจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีลห้าไปเกิดเป็นเทวดาก็มีฤทธิความละอายแก่ใจอดตะปะความเกรงกลัวคนจะไปเกิดเป็นพรหมก็มีพรหมิหารธรรมคนจะไปเกิดเป็นพระอหันก็ต้องเจริญสมถะวิปัสสนานี่อันนี้ก็เป็นทางเจ็ดสายพอพูดเป็นแนวทางแต่โดยจริงๆแล้วยังละเอียดไปกว่านี้อีกนะยังละเอียดไปกว่านี้ฉะนั้นอันนี้เราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะเห็นอยู่บ่อยๆคนบางคนนี้ ทำมีความโลภมากนะคือดำเนินชีวิตมาด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยการลักของเขาขโมยของเขาปรากฏว่าเมื่อตายไปแล้วก็ไปจุติอยู่ในอัตภาพอย่างอื่นนะแต่ก็ยังมาเข้าฝันนะยังมาเข้าฝันนะว่าตัวเองนั้นได้ทํากรรมอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนมากไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่นี่อย่างนี้ก็มีเยอะ นะในทางพุศาสนามีมากนะมีมากเลยแั้ถ้าเราได้ศึกษาอ่านในทางพระสูตรในทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าเรื่องทานองนี้มีมากอย่างกับในเหตุการณ์ปัจจุบันก็จะยกตัวอย่างมามีหญิงคนหนึ่งนะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมแกชอบด่าสามีของแกว่าขอประทานโทษไหว้าชาติหมาเนะว่าด่าไอว้ชาติหมา สามีพูดไรไม่ถูกใจกอ ว, ว่าชาติหมาเดินช้ากอดฉาิหมากินข่าวช้ากอดฉาดหมาเป็นที่รู้กันทั่วทั้งบ้านทั้งบงังว่ายายคนนี้ดา่าสามีด่าใครแล้วก็ต้องมีชาติหมาอยู่เรื่อยนะไม่เคยขาดไอกิตติศัพท์ของคําด่าของยายคนนี้เป็นที่กลัวแม้กระทั่งคนขี้เมาคนขี้เมาเนี่ยถ้าเดินกำลังเซาเ ป, ปะมาเนี่ย พอเห็นยายคนนี้เขาสั่งเมาทันทียังต้องหลบนะกลัวจะหาว่าไอชาติหมากลัวเหลือเกินนะกลัวมากก็ปรากฏว่าอยู่ไม่นานนะพระยาคนนี้ก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายไปก็ปรากฏว่าไปเกิดเป็นสุนนะัขโนอนอยู่สิงห์บุรีนี่จากนกครปฐมไปอยู่สิงห์บุรี ก็มาเข้าฝันลูกสาวลูกลูกชายลูกสะใภ้ว่าตัวเองท่านได้รับความเดือดร้อนมากเหลือเกินนะตอนนี้ได้ไปเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ที่นนที่นี่อยู่ที่โรงโรงต้มกักโรงต้มกักยอมผ้าของพระนะต้มสียอมผ้าพูดอย่างนั้นะสีกักยอมผ้าก็ปรากฏตื่นขึ้นเช้าทั้งลูกชายลูก สภัยก็เลยมาแก้ฝันพร้อมกันว่าได้ฝันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกใจว่าฝันตรงกันเลยทั้งสองคนก็อยากจะไปพิสูจนก็ไปตามที่ฝันนั้นไปถามว่าวัดนั้นอยู่ที่ไหนอพอรู้แนวทางก็ไปถึงที่วัดนั้นก็ไปถามพระไปถึงตอนเช้ามืดเลยก็ถามบอกว่าที่วัดเนี้ยมีโรงต้มเ ต, ตากรกหรือว่าสียอมผ้าไหมอยอมผ้าพระไหมเขาบอกมีน่นอยู่น่นก็เดินไปที่นั่น ก็ปรากฏว่าไปเห็นสุนัข ก, กับได้ออกลูกมาครอกหนึ่งนะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ตรงที่สุนัขมันตกลูกมานั้นมันมีไอ้หลังคามันรั่วหลังคาแฝกจากมันรั่วฝนมันก็เทลงไปในนั้นอ่านะก็ทําให้สุนัขนั้นเดือดร้อนนะร้องเดือดร้อนมากนะปรากฏว่าลูกสุนัขตัวที่เป็นแม่น่ะพอเห็นสองคนนี้ไปเดินเข้ามาหาทันทีก็เลยกําหนดเอาว่านี่แหละตัวนี้ต้องเป็นแม่ นะเพราะสุนักยังยังเล็กมากตัวอื่นไม่มีเดินแต่ตัวนี้เดินเข้ามานะเดินเข้ามามาเลียมาสุกอยู่ที่นั่นแสดงถึงความอลาลัยอาวรณ์จิตผูกพันกันนี่นี่เพราะโทษที่จิตใจสังสมไมา่คําว่าชาติหมาอยู่บ่อยๆเข้ามันมากมากเขา้ามากเข้าก็เลยต้องไปเกิดเป็นหมานี่เห็นไหมมันเป็นได้หรื อ, อยังคนหนึ่งที่ขอยืมเงินเขาไป แล้วไม่ได้ใช้เพียงแค่ไม่กี่บาทตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นวัวนะไปเกิดเป็นวัวก็มาเข้าฝันลูกอีกนะ่ะมาเข้าฝันลูกอีกอ่นะลูกเราไปพิสูจน์ดูปรากฏไปถึงอย่างนั้นไอ้ลูกวัวตัวนี้ก็เดินเข้ามาหาเข้ามาเลียเข้ามาคลุกคลีคลอเค้าเนี่ยอนะอันนี้แล้วก็บอกว่าในในเข้าฝันนั้นก็บอกว่าให้ไปใช้เอาเงินนี่ไปใช้คนนั้นคนนี้ทีแต่จะยืมมาเท่านั้นเท่านี้ก็ไปถามเจ้าของเงินก็บอกเป็นความจริง เนี่ยเป็นความจริงนี่ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าคนเราเกิดเป็นคนแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดเป็นคนอยู่เสมอไปนะจะไปเกิดเป็นอย่างไรก็ได้แล้วที่การการะทำของตัวเองถ้าทำดีก็ต้องเลยดีทำชั่วก็ต้องเลยชัวย่วทำดีก็ต้องไปเกิดในที่ดีทำชั่วก็ต้องไปเกิดในที่ชัว่วอันนี้เป็นหลักแน่นอนนะเป็นหลักแน่นอนถ้าทำดีถึงที่สุดก็เข้าถึงพระอรหันต์นะ ถ้ายังเป็นขั้นเป็นตอนก็ได้ตั้งแต่โซดาพัสกาทาคาพระอนาคาพระอาหารหันนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ถ้ายังไม่ถึงก็อาจจะเวียนว่ายกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ได้นะแต่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากก็คือว่าคนเกิดเป็นคนผู้หญิงผู้ชายแล้วตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายนั้นเปรียบเหมือนกับเขาโค นะเปรียบเหมือนเขาโคคนเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรือไปเกิดในอบายภูมเปรียบเหมือนขนโคนะเปรียบเหมือนขนโคท่านลองนึกดูสิว่าไอ้โคตัว น, นี้มันมีสองเขาขนมันมีเท่าไหร่ขนมีเท่าไหร่นับไม่ทืวน แต่เราจะเปรียบเป็นเปอร์เปอร์เซนต์ง่ายๆเรียกว่าคนตายไปแล้วนี่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพันเนีน่ยสองคนนะพันคนเนี่ยมาเกิดเป็นสองคนถ้ายาพูด้ง่ายๆก็อีกก็บอกว่าร้อยละสองคนออย่างงี้ก็แล้วกันแต่ว่านี่ไอ้เขาโคกับขนโคมันห่างกันมากถ้ายาเปรียบเราต้องเป็ น, น, น, เ, นเป็นแสนนะเป็นเป็นแสนล้านๆนี่สแสดงว่าไอ้คนที่ไปเกิดในบายภูมินั้นมากนะ ร้อยคนมาเกิดเป็นมนุษย์สองคนอีกเก้าสิบแปดคนนั้นไปเกิดในอบายภูมิไปเกิด เ, เป็นพวกเปรตจัตนรกอสุรกายแ ม, ามานะ้มากเหลือเกินนะมากเหลือเกินนี่แสดงว่าคนเรานี่ทำความชั่วกันมากนะศีห้าก็ยังรักษายากนะรักษาให้ครบบริบูรณ์ได้ดแต่ละทุกข้อนั้นยากนะแต่ละข้อพวกเราอาจจะทำได้แต่จะให้ครบทั้งห้าข้อนั้นก็ยาก ฉะนั้นผู้ใดที่ทำได้ก็ถือว่าผู้นั้นมีจิตใจสูงนะเป็นจิตใจประเสริฐแล้วนะยิ่งบางคนก็รักษาศีลแปดนะเรียกว่าอุโบสถศีลก็ยิ่งประเสริฐยิ่งขึ้นหรือบุคคลมีศีลสิบ น, นะยิ่งพระก็มี227รอยิบเจ็ดก็ยิ่งประเสริฐขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของของการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเมื่อพูดถึงศาสนาทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยง ในที่นี้ก็คือเห็นผิดจากทำนองลองธรรมกับในทางพระพุทธศาสนาสำหลักพระพุทธศาสนานั้นคนเรานั้นจะเกิดเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่การกระทาแต่ว่าศาสะสะาทิฏฐินี้ถือว่าคนเราตายไปแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นคนถ้าเป็นวัวเป็นควายตายไปแล้วก็เกิดเป็นวัวเป็นควายคิดอย่างนั้นถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังมีตัวมีตนนะยังมีตัวมีตนอยู่นะ อันนี้เป็นเรื่องของสัจจะทิฏฐิมาในข้อที่สองอุเฉทิฏฐินะอุเฉทิฏฐนะิหรืออุเฉทะทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ความเห็นว่าขาดศูนย์ก็คือเห็นว่าคนและสัตว์ตายไปแล้วก็เป็นอันว่าขาดศูนย์กันเพียงแต่ตายเท่านั้นไม่ถือปฏิสนธิในกําเนิดอื่นอีกต่อไปความเห็นที่ ที่เป็นอุเฉทิฏฐินี้ตรงกันข้ามกับสัสจะทิฏฐิต่างปฏิเสธกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะปฏิเสธกันคือของสัจจะทิฏฐินั้นยังต้องเกิดแต่อุเฉทิฏฐินี้ไม่เกิดอคนเราเกิดชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าไม่มีอีกแล้วไม่มีอะฉะนั้นประเภทนี้แหละเรียกว่าจะทำดีทำชั่วอะไรก็ทำให้เต็มที่ชาติหน้าเราไม่รู้เราไม่เห็น นะจะทําชั่วจะโกงใครจะฆ่าใครจะรักของใครอิจฉาใครเอาเลยเต็มที่นี่เพราะคิดเห็นอย่างนี้นี่พวกอุเฉทิฏฐิอุเฉ ท, ทัททิคือความเห็นว่าขาดศูนย์อันนี้ก็คือถือว่าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิมากนะเพราะความเห็นทั้งสองอย่างนี้นะหรือโดยเฉพาะอุเฉทิฏฐินะ่เพราะเห็นอย่างนี้แหละจึงทําให้ให้คนที่มีความคิดเห็นในปัจจุบันนี้ว่า ถ้าหากว่าเราทำดีไม่มีคนยกย่องไม่มีคนชมเชยก็ไม่ชื่อว่าเป็นการทำดีนะไม่ชื่อว่าเป็นการทำดีเราทำชั่วไม่มีคนติชินนินทาไม่ถูกจองจำก็ไม่ชื่อว่าทำชั่วนะไม่ชื่อว่าทชั่วฉะนั้นคนทุกวันนี้ก็จึงพยายามทำชั่วนะทำชั่วไปถือว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป นี่พูดอย่างนี้ถือว่าผิดหลักนะผิดหลักทำคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ได้ตัดไปว่ายาที่สังว่าปเตพีชังตาที่สังและปะเตพลังกัลยาณการีกัลยานังปาปการีจะปาปังบุคคนหวานพืชเช่นใดก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่ว ไม่ใช่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเราควรจะพูดว่าการทำดีได้ดีนั้นมีแน่ขอเพียงแต่มันทำความดีไว้ที่ทำชั่วได้ดีมีถมไปไม่มีใครจีรงังพังทุกคนนี่เราควรจะพูดอย่างนั้นฉะนั้นในเรื่องการทำดีทำชั่วนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าการทำดีนั้นเราจะต้องรู้จักทำคือการทำดีนั้นเราจะต้องทำบ่อย นะแล้วก็ทำแล้วต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะทำแล้ววินโูชนรับรองว่าดีนั่นแหละคือการทำดีประการที่สองก็คือว่าการทำดีนั้นเราจะต้องทำให้ถูกบุคคลนะถูกบุคคลต้องประการที่สามต้องให้ถูกกาลละเทศะนะต้องถูกการต้องถูกสถานที่นะประการที่สี่ทำแล้วก็ติดตามผลแห่งความดีนะ อย่างนี้จะได้ชื่อว่าเราทําดีนะอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราทําดีแต่พวกมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เห็นว่าการทําดีนั้นจะต้องมีคนชมเชยต้องมีคนยกย่องถ้าไม่มีคนชมเชยยกย่องไม่ชื่อว่าทําดีถ้าไม่มีคนเห็นก็ไม่ชื่อว่าทําดีทําชั่วก็ต้องมีคนติชมนนินทาถึงจะชื่อว่าทําชั่วอา่าอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกหรืออีกบางพวกไว้คิดว่าไอ้ความดีความชั่วนั้นมันไม่มีเหตุไม่มีผลนะ ไม่มีเหตุไม่มีผลเถืองคนเราถึงคราวดีดีเองไปถือเป็นเรื่องโชคเป็นเรื่องลางไปจือไปพูดเรื่องดวงมันดวงไปถือว่าโชคบางครั้งได้รับลาบอะไรมาไปถูกหวยไปมั่งอะไรมั่งบอกแมวนี่โชคดีวันนี้โชคดีแต่ไม่พูดว่าเป็นกรรมดีว่าเราไปหยิบถูกไอ้ที่ใบที่มันดี หรือไปได้ดิบได้ดีอะไรมาก็บอกว่าว่าวันนี้โชคดีวันนี้โชคดีมางวันนี้ดวงดีจังเลยแม้รู้สึกว่าทำอะไรมือมันฉมังมือมันขึ้นอ้างเป็นเรื่องโชคดีดวงดีไม่พูดเลยว่าเป็นการกระทำดีเพราะคนเราจะได้ดีนั้นจะต้องดีทางกายดีทางวัฏจากดีทางใจบอกแล้วว่าถ้าทำดีถูกการละเทศะถูกบุคคลติดตามผลดีจึงจะได้ดี นี่แหละเป็นผลเกิดจากการกระทาดีแต่ถ้าเราไปถึงคราวมันไม่ดีเข้าเรามักจะพูดว่าเป็นกรรมนะเป็นกรรมของเราอเป็นกรรมของมันนี่หรือว่าเป็นเคราะห์ของเขาออนี่เรามักจะพูดอย่างนั้นแต่ไม่พูดเราเป็นเป็นกรรมไม่ดีหรือว่าเป็นความชั่วออะไรในทำนองอย่างนี้นี่ฉะนั้นจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีเหตุมีผลน่ะ มันมีเหตุมีผลคือคนไปคิดเอาว่าให้คนเราถึงข่าวดีดีเองอ่าถึงข่าวเคราะห์ก่เคราะเองนะอันนี้ไปห้ามกันไม่ได้นะห้ามกันไม่ได้จริงๆแล้วคนเราจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่การกระทําำอยู่ที่เหตุที่ผลมันมีเหตุมันมีผลอเมื่อเหตุ ด, ดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีอ่ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่า เยธรรมมาเหตุุปบภาวเตสังเหตุุงตาถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาธีมหาสมมโนพูดโดยย่อแปลโดยย่อ ส, สั้นที่สุดก็คือว่าทำใดเกิดแต่เหตุทำนั้นก็ยมดับลงด้วยเหตุนี mm. กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งนั้น mm. ถ้าเราสมมุติว่าเราเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนประหยัด mm. เป็นคนที่คบเพื่อนดี รู้จักดําเนินการเลี้ยงชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟืดเครื่องแน่นอนที่สุดเราจะต้องเป็นคนร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าเราไม่ขยันแล้วก็ไม่รู้จักประหยัดมีเพื่อนใหม่ดีไม่รู้จักใช้จทรัพย์ในการดําเนินชีวิตอย่างนี้ไม่มีทางรวยแน่ น, นี่นี่มันอยู่ที่การกระทําไม่ใช่เป็นเรื่องโชคไม่ใช่เป็นเรื่องดวงนะอยู่ที่การกระทําำหรือว่า คนที่ติดอบายามุกเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันครอคนชั่วอย่างนี้แน่นอนก็มีแต่ความหายยันะมีแต่ทุกมีแต่ทุษมีแต่ความเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ติดอบายามุกแล้วมาขยันทํากิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างนขยันประหยัดสื่อสัตย์อดทนเป็นคนกัะตำอยู่แน่นอนที่สุดก็จะมีแต่ความเจริญก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองนี่อันนี้เราเห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลเนี่ย มีเหตุมีผลฉะนั้นพระองค์จึงได้จัดไว้ในสัพุริสบัญญัติก็คือหมายถึงว่าอจัดไว้ในสัพุริสัธรรมนะจัดไว้ในสัพุริสธรรมคือธรรมของสัตว์ปรุษนะหรือธรรมของนักปราชญ์หรือธรรมของคนดีเจ็ดประการว่าเราทุกคนต้องรู้จักเหตุรู้จักผนรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักประชุมชนรู้จักเลือกคบบุคคลนั่นแหละเราจึงจะเจริญ จะได้ชื่อว่าเราเป็นสัตว์ปุรุษรู้จักเหตุรู้จักเหตุแห่งความดีรู้จักเหตุแห่งความเสือ่อมอ่ารู้จักผลก็คือสาวไปหาเหตุแล้วผลนี้เกิดมาจากเหตุดีผลนี้เกิดมาจากเหตุไม่ดีนี่ทําให้เรารู้อย่างนั้นนี่อย่างนี้อาจารย์ะะนั้นจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีเหตุมันมีผลนะไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีผลอืมแล้วทําให้พวกมิชาทิฏฐิอีกกลุ่มหนึ่งก็คิดไปว่าอาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอไม่มีทั้งเหตุไม่มีทั้งผล นะไม่มีเหตุเอขอประทานโทษเมื่อกี้น่ะประเภทอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุอมาประเภทที่สามนี่ว่าไม่มีทั้งเหตุไม่มีทั้งผลปฏิเสธหมดเลยถือว่าคนเรานี้ทําดีไม่มีผลตอบแทนนะไม่มีผลตอบแทนพ่อแม่ไม่มีบุญคุณครูบาอาจารย์ไม่มีบุญคุณนะไม่มีบุญคุณการทําบุญทําบาปไม่มีผลนะฆ่ากันก็ไม่เป็นบาปนะทําดีกันก็ไม่เป็นบุญ นี่ไปถืออย่างนั้นเขายังยกตัวอย่างเปรียบไว้ด้วยน ะ, ะยกตัวอย่างเปรียบว่าไฟไม่ป่าไม่เห็นไฟบาปไม่เห็นไฟบาปฝนตกรถต้นไม้ไม่เห็นฝนได้บุญนี่ฉะนั้นคนเราที่ฆ่ากันนี่ไม่บาปเพราะไม่ได้ถูกคถก น, นถูกอนุปรัมณูนะถูกอนุปรัมานูมันมีอนุปรามมนู ข, ขั้นอยู่ขั้นอยู่ฉะนั้นจึงไม่ถูกคนจึงไม่เป็นบาป นี่ฉะนั้นพวกมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้แหละนะพวกเหล่านี้แหละที่กำลังระบาดอยู่ในสังคมทุกวันนี้นะอยู่ในสังคมทุกวันนี้มิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เรียกว่าอพวกเห็นว่าชาติหน้าไม่มีมีชาตินี้ชาติเดียวฉะนั้นชาตินี้จะทำอะไรก็ได้นี่แหละเขาจึงเรียกว่าพวก นักติพวกอกริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันรำพวกเหตุการะทิฏฐิความเห็นว่าหาเหตุการะทิฏฐิความเห็นว่าหาเหตุไม่ได้นักปิกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลบุญคุณไม่มีบาปไม่มีเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นก็ไม่ชื่อว่าทำดีไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นก็ไม่มีคนยกย่องชมเชยก็ไม่เป็นความดีทำชั่วไม่มีคนติชิ้นินทาไม่ถูกจองจําไม่ถูกลงโทษก็ไม่ชื่อเป็นความชั่ว ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ต้องไปทํอถึงเขาดีๆเองถึงเขาชั่วๆเองเองถือว่าไม่มีเหตุมันมาลอยๆอยมาลอยอยนี่แหละถือว่าผิดตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างที่ได้ว่ามาฉะนั้นอันนี้แหละนัเกเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดนึกไว้เสมอว่าให้คนที่มีทิฏฐินี่แก้ยากนะ แก้ยากไอ้ที่ว่าแก้ยากก็เพราะอะไรท่านลองนึกดูไอ้จริงๆแล้วทิศทิจริงๆเนี่ยมันแก้ไม่ยากหรอกนะมันแก้ไม่ยากถ้าจะเปรียกก็เหมือนกับไอ้พวกหวายนะพวกหวายหรือพวกไอ้เถาวันไอ้เถาวันบางอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันอ่อนนะมันอ่อนมันขึ้นแล้วมันจะพันไปตามต้นไม้ต่างๆนะอ่อนมากเอามาใช้มัดเป็นประโยชน์ได้หวายเหมือนกันเอามาใช้ มัดทำเป็นเก้าอี้หรือทำเป็นเส้นตอกอะไรก็ได้แต่บางครั้งต้นหวายก็ดีต้นเถาวัลย์ก็ดีเวลามันไปพันต้นไม้อะไรที่แข็งแข็งเข้าพอเราตัดออกมามันก็คลายไม่ออกมันก็เลยคดงอไปตามสิ่งนั้นดัดก็ไม่ได้นะดัดก็ไม่ได้เพราะมันมีของแข็งให้มันห่อหุ้มอยู่ในทิศทีเหมือนกันในที่มันแก้ยากก็เพราะมันมีของแข็งอยู่ มีอะไรอยู่ก็คือมีตัวมานะไอตัวมานะนี่แหละมันเป็นตัวแข็งนะตัวแข็งทำให้เราต้องต้องถอนยากนะถอนทิศฐียากฉะนั้นให้สังเกตดูคู่สามีภรรยาที่แตกกันก็เพราะไอตัวทิษฐีนี่เองต่างคนต่างถือดีไอ้ตัวถือดีตัวสำคัญนี่คือตัวมานะสำคัญว่าดีกว่าเขาสำคัญว่าเลิศกว่าเขา สำคัญว่ารวยกว่าเขาสำคัญว่ามีความรู้มากกว่าเขาสำคัญว่าเรามีฐานะดีกว่าเขาเป็นผู้ดีกว่าเขานี่แหละไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวทิฐิตัวมานนะที่เรามักจะพูดไปว่าคนนี้มีทิฐิมันนะนี่ยฉะนั้นขอให้อท่านนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเราจงมาคลายทิฐิมันนะอย่าสําคัญตัวเองว่า เป็นผู้เลิศประเสริฐกว่าผู้อื่นอย่าตีตนเสมอท่านอย่ายกตัวเองของมท่า น, นทำตัวเองให้เหมือนกับโคเขาหักทำตัวเองให้เหมือนกับอสรพิษที่มีเขี้ยวพิษอันหักแล้วทาตัวเองให้เหมือนกับผ้าเช็ดเท้าลดตัวเองลงมีความรู้มีความรวยมีความสวยมีความสามารถก็ทำเป็นเหมือนไม่มีมีทาเป็นเหมือนไม่มีแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราโดยสมบูรณ์ อย่างนี้เลยว่าเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนดีนฉะนั้นในทิฏฐิสองสัจตะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงก็ดีอุเฉทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนความเห็นผิดทีนี้ถ้าหากว่าจะมีคําถามว่าอุเฉทิฏฐิความเห็นขาดศูนย์ก็คือเห็นไม่มีนั่นเอง และนักติกาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีก็คือขาดศูนย์อถ้าเช่นนั้นทิฏฐิทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่หรือหรือว่าจะต่างกันอย่างไใดคําถามอย่างนี้ขอให้ท่านนักเรียนนักศึกษาลองทบทวนให้ดีก็คือถามว่าอุเฉทิฏฐิเนี่ยก็แปลว่าขาดศูนย์นักติกาทิฏฐิก็แปลว่าไม่มีไอ้ไม่มีก็ขาดศูนย์อมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไดนี่อันนี้เราตอบเลยว่าไม่เหมือนกัน อุเฉตทิฏฐินั้นเป็นความเห็นปฏิเสธเหตุผลในอนาคตเช่นเห็นว่าคนและสัตว์ตายแล้วศูนย์เป็นต้นส่วนนติกาทิฏฐิความเห็นปฏิเสธเหตุผลในปัจจุบันนะปฏิเสธเหตุผลในปัจจุบันเช่นปฏิเสธสมมุติสั จ, จและกรรมมัศกาตาคือเห็นว่ า, เ, าเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีกรรมเป็นของของตน นี่ปฏิเสธหมดเลยจริงๆแล้วสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนแต่นี่ปฏิเสธว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ได้มีกรรมเป็นของของตนนะเรียกว่าทําคุณทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วอ่ไปถือวอย่างนั้นอ่ฉะนั้นว่าคนฆ่ากันก็ไม่บาปทําดีต่อกันก็ไม่เป็นบุญนี่ฉะนั้นจึงบอกว่าจึงต่างกันนะจึงต่างกันอันนี้ก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายโปรดทราบหรือถ้าหากว่า แล้ถามว่าสมมุติสจะทางพระพุทธศาสนาเห็นอย่างไรจึงผิดจากพิธิทั้งสองก็ดังที่ได้ชี้แจงมาว่ามติทางพระพุทธศาสนามีความเห็นปฏิเสธอัตตาอันเที่ยงถาวรอย่างนั้นแต่ยอมรับความเวียนว่ายตายเกิดตามสภาวธรรมด้วยอํานาจแห่งเหตุแล้วก็ยอมรับความสิ้นสูญแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นด้วยเ อ, อถ้าขาดเหตุก็หมดกันไปเพราะอย่างนี้จึงมีคํากล่าวว่า ผู้นั้นผู้นี้ตายแล้วไปเกิดในสุคติบ้างไปเกิดในทุคติบ้างและท่านผู้นั้นผู้นี้ก็ดับขันทะปรินิพานบ้างนี่อย่างนี้ฉะนั้นหากผู้ถือทิฏฐิทั้งสองอย่างนี้มีอยู่และปฏิบัติตามอย่างนี้จะมีโทษอย่างไรอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าถ้าหากว่าผู้ที่ถือทิฏฐิทั้งสองนี้ก็เป็นเหตุปิดบังยานเป็นเครื่องรู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนอาจทำ ได้ทั้งความดีความชั่วตามความประสงค์ของตนเป็นเหตุแห่งความติดอยู่ในโลกวนอยู่ในวัฏฏะเปรียบเหมือนคนตาบอดไม่มีผู้จูงบางคราวก็ไปถูกทางบางคราวก็ไปผิดทางคนพานมีความเห็นว่าเที่ยงสามารถทำได้ทั้งความดีและความชั่วอันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารหมกมุ่นอยู่ในโลก ศัสด์สิสทธิ์ิฏฐิมีโทษดังแสดงมาผู้ถือว่าขาดศูนย์อาจทำให้ได้ทั้งความดีและความชั่วตามความปรารถนาเพราะไม่ต้องเกรงผลแห่งกรรมเห็นเสียว่าตนและโลกขาดศูนย์แล้วไม่สวยกรรมอีกอุเชติทิฏฐิก็มีโทษดังนี้ฉะนั้นการบรรยายเรื่องทิฏฐิทั้งสองมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร